เดอนที่แล้วตมานะไปประชุมนะที่ประเทศนอร์รเวย์ก็มีเวลาอยู่ที่เมืองหลวงเขาประมาณ 3-4 มี่วันกรุงออสโลไปถึงก็มีเลขานุ ก, การสถานทูตไทยนี่ก็มาต้อนรับแล้วก็พาชมเมืองนะก็เรียกว่าเป็นความกรุณานะเพราะว่าไม่ได้ไปในฐานะตัวแทนราชาการอะไรนะที่ไปประชุมที่นอร์รเวย์เนี่ย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 รถไฟฟ้านี่เยอะเลยนะกําลังชาร์จแล้วเขาก็เล่าว่าตอนนี้นอร์เวย์เนี่ยคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเวลานึกถึงเวลาพูดถึงรถไฟฟ้านี่อย่าไปนึกแบบรถกอล์ฟนะที่นี่นะรถกอล์ฟที่นี่รถมันใช้ไฟฟ้าจริงแต่ว่ามันชา้าแต่รถของฝรั่งที่ใช้ตอนนี้เนี่ยรถเหมือนรถทั่วๆไปเลยราคาแพงแต่ว่า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 เป็นไปได้ยังไงนะรถไม่มีน้ำมันไอรถที่ไม่กินน้ำมันเนี่ยนะจะใช้กันครบร้0เซนตโซนรถที่กินน้ำมันจะไม่เหลือเลยเรานึกภาพไม่ออกนะเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าคนยุโรปนี่เขาเขากล้าคิดแล้วเขาก็พยายามทำเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้รถไ ฟ, ฟฟ้าเนี่ยมันก็กำลังได้รับความนิยมมากนะในประเทศเหล่านี้ตอนนี้ในทวีปเนี่ยเาก็ทาเริ่มทำถนนแล้วนะ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 โลนนี่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากน ะ, ะเราอาจนะนึกไม่ถึงนา่นสิปีข้างหน้านะไปยุโรปเนี่ยอาจจะเงินที่เงินสดเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วเงินสดใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเขาจะพยายามไม่ให้คนใช้เงินสดสวีเดนเขาก็เลยประกาศแล้ววนะ่าน่าจะไม่มีการใช้เงินสดในะไม่กี่ปีข้างหน้าทุกอย่างนี่ก็ต้องใช้บัตรเครดิตหรือว่าการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย แมาไปออสโตรลียนีนะ่จะขึ้นรถนะจะเป็นรถไฟฟ้าจะเป็นรถเมล์รถรถไฟนี่ขึ้นยากนะเพราะว่าเขาต้องใช้การาสนะต้องใช้กา๊าดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่มีพนักงานขายขายตั๋วแล้วไปซื้อกา๊าสเอาริมถนนนะถ้าหาว่ามีเงินนะมีเงินแต่ว่าไม่มีกา๊าดก็ขึ้นไม่ได้นะลําบากมากนะขึ้นรถไปไม่มีการาดมีแต่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 ป่าฝนนี่มันไม่ได้มีอยู่ในอยู่ในนอร์เวย์เลยนะนอร์เวย์ประเทศเล็กๆคนห้าล้านคนป่าฝนไม่มีแม้แต่ตารางวาเดียวแต่ว่ามันมีอยู่ในแอฟริกาใต้แอฟริกากลางแล้วที่สำคัญคืออเมริกาอเมริกาใต้ที่เรียกว่าลาตินอเมริกาหรือว่าป่า Amazon. อเมซอนอ่นอร์เวย์ก็เป็นประเทศเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะเาก็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 เพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาป่าฝนป่าเขตร้อนให้มากขึ้นไม่ว่าที่บราซิลอกควาร์เปรูนะโบลิเวียไอพวกนี้มีป่าฝนที่ใหญ่มากเรียกป่าอเมซอนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองก็คองโกนะอยู่ในแอฟริกากลางที่รองลงมาก็อินโดนีเซียนะป่าคอยเยอะเดี๋ยวนี้มันมีผลนะ เวลามีการทำลายป่าที่อินโดนีเซียนี่เมืองไทยเราก็เริ่มได้รับผลแล้วเพราะว่าควันน่ควันจากการเผาป่าเนี่ยมันลามมาจนถึงมาเลเซียนะควันเนี่ยนะมันข้ามทะเลมาเลยนะข้ามมหาสมุทรมาถึงมาเลเซียถึงหาดใหญ่ถึงภาคใต้ของไทยนะเพราะว่าลมมันพามา ต, ตอนนี้เขาก็ก็เลยตื่นตัวกับเรื่องนี้นะ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 เรื่องปลูกป่าคนอาจจะไม่เคยสนใจหรืออาจจะไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากแต่ว่าเรื่องการใช้น้ํามันน้อยลงเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญและโลกเดี๋ยวนี้นก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะอะไรอะไรที่เราคิดว่ามันจะอยู่ไปได้นานๆเนี่ยวันดีคืนดีมันก็หายไปนะเช่นเงินสดเนี่ยต่อไปก็จะหายแล้วนี่ยคนจะไม่ใช้เงินสดกันแม้แต่ในประเทศของเราในในวันข้างหน้าจริงๆที่ผ่ามัก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ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 เดี๋ยนี้ธนาคารหลายแห่งก็ปิดตัวแล้วนะมีคนเข้ามาบ่นกันมาแล้วเรานธนาคารในเมืองไทยเนี่ยหลายแห่งต้องปิดสาขาแล้วนะเพราะว่าคนมาใช้น้อยลงการติดต่อธุรกรรมทางการเงินใช้โทรศัพท์มือถือนะไม่ต้องไปธนาคารแล้วเสียเวลาคนก็ตกงานกันมากขึ้นโรงเรียนก็ตอนนี้ก็ปิดนะปิดกันมากขึ้นแล้วต่จะไม่เกี่ยวอินเทอร์นเน็ตโดยตรงนะ คนเกิด น, <ain> น้อยลงคนเกิดน้อยลงโรงเรียนก็มีนักเรียนมาเรียนน้อยลงมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาน้อยลงไม่ใช่คนไม่มีปัญญาเรียนนะแต่ว่าคนเกิดน้อยลงมหาวิทยาลัยก็ลำบากแล้วเพราะว่าอยู่ได้เพราะเพราะจำนวนคนจำนวนนักศึกษานะนักศึกษาน้อยรายได้ก็น้อยนะจะทำยังไงคนเกิดน้อยพระก็เกิดพระก็มีน้อยลงนะ ตอนนี้ภา ก, ก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะส่วนนึกเพราะคนไม่ศรัทธาในการบวชหรือว่าคนนี่ไม่มีศรัทธาในศาสนาอีกส่วนนึกเพราะคนมันเกิดน้อยลงด้วยขนาดมหาทรายนี่ก็ยังมีปัญหาเลยว่าคนเรียนน้อยลงน ะ, นะวัดเนี่ยจะไม่กระทบได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันจะมาเร็วนะในช่วงเวลาสิบปีนะบางทีนึกไม่ถึงแล้วมันเปลี่ยนไปยขนาดนี้เชียวเหรอ